บุกทูยี่สิบสามดูดักรีการเรียนภาษาต่างชาติเวลนิฟร์มไดนลิงบอยคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะคีอเยอเวลเนสลาฮิสปานัน คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะชูวีพาร olas อ, อังโกลาโปรตุการันค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Yes ใครมีอิยอมพาร olas อ, อังโกลาอิตาลันดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากมเป็นไทรบโบ p นพาร olas ลา leomi ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก La l i n g u ยเอสตัสซูฟิเ s i m i l ิไดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี m มีพวสอิลิ n โบเนคอมเพ e นีแต่การพูดและการเขียนมันยาก s ซดพารโอลิไคสครีบ i m a l f a c i l ล s ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก มีอังคาร์ร a ฟารัสมูลพยินเอราวินทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะบนวลุมินชีย correct ิการออกเสียงของคุณดีมากคุณมีสำเนียงนิดหน่อยคุณมีสำเนียงนิดหน่อย คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไห น, นภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ พิยุออตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะมินุนเนฟลูสเซียสเจอร์ น, นมนดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะล a t ิ t ตโล n นเรเวนัสอัลมิอาเมโมโรดิฉันลืมไปแล้วค่ะมิจินฟอร์เกซ ส, ส